คือส่มากพวกเราคิดว่าทําไงสติจะเกิดขึ้นมาสติสัมมาสตินี่เป็นเครื่องเรารึกรู้รูปนามถ้าสติทั่วๆไปเป็นเครื่องรารึกรู้ราาร อ, รารรอารมณ์ฝ่ายกุศลทั่วๆไปแต่สัมมาสติจะต้องรู้รูปนามาถ้าเราไปเพ่งเพ่งท้องเพ่งมือเพ่งเท้าเนี่ยมันยังไม่ใช่การรู้รูปนามาเป็นแค่การเพ่งเอาไว้จิตใจก็สงบสุขอะไรเงี้ยได้สมถะก็เป็นสติธรรมดา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 มหาสติปัฏฐานนะท่านเคยสอนไว้เมื่อปีพันหกร้อยนะ mm hmm. เกือบพันปีมาแนละ้วท่านเขียนตำรานี้ไว้ท่านบอกว่าสติอันกำหนดรูปนามเป็นอารมณ์สติอันกำหนดนะนะสติอันกำหนดรูปนามเป็นอารมณ์เป็นตัวทุกตัณหาคือความอยากปฏิบัติเนี่ย mm hmm. อยู่เบื้องหลังการเอาสติไปกำหนดรูปนามอันนี้เป็นตัวสมุทยัย mm hmm. และสติจริงๆไม่ได้แปลว่ากำหนดสติจริงๆเนี่ย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 เพอเรามองเห็นคนเดินมาเราไปดูเขาป๊บใจเราหลงไปอยู่ที่เขาลืมตัวเองเวลาเราตั้งใจฟังอย่างขนาเนี้ตั้งใจฟังหลวงพ่อพูดรู้สึกไหมเราลืมรูปนามตัวเองไม่หล อ, อกไห ม, ไมเราจะลืมเนี่ยหลงฟังนะนั่งคนเดียวมันคิดไปเคยไหมคิดไปชั่วโมงหนึ่งไม่รู้ว่าคิดอะไรนะอันนี้หลงสุดขีดเลยคิดอะไรยังไม่รู้เลยหนะลงคิดหลงทางใจที่รองลงมารู้เรื่องที่คิด ขณะที่เรารู้เรื่องที่คิดเนี่ยเราจะลืมกายลืมใจตัวเองดันั้นขณะใดที่เราคิดนะขณะนั้นไม่รู้หรอกเพราะธรรมชาติของจิตทํางานได้ครั้งละอย่างเดียวนะคือรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวถ้าเข้าไปรู้สมมติบัญญัติคือไปรู้เรื่องที่เขาคิดซะแล้วเนี่ยเขาจะรู้รูปนามไม่ได้ดังั้นฝากพวกเราหัดให้ดีนะอย่างสมมติว่าความโกรธเกิดขึ้นเราโกรธหนอขึ้นมาเนี่ยเราตรึกแล้วล่ะเราคิดแล้ว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 นขนาที่เราฟังไปคิดไปใช่ไหมเราไม่รู้ตัวหรอกนีไปคิดอีกแล้วรู้สึกไหมรอจะฟังใช่ไหมหัดอย่างนี้นะเราจะตื่นขึ้นมาเมื่อไรเรารู้สภาวะลงปัจจุบันรงความจริงนะเราจะตื่นขึ้นมาในฉับพลันรู้เดกจากโลกของความคิดเนี่ยหลงไปคิดแล้วรู้ไหมยังไม่ตื่นยังไม่รู้จริงหรอกยังคิดไม่เลิกยังหลงคิดยังรู้สึกไหมยังคิดไม่เลิก เนี่ยใจแอบไปคิดอีกแล้วรู้ไหมนี่ให้รู้ทันสภาวะนะไม่งั้นเราจะพูดแต่เรื่องรูปเรื่องนามแต่เราไม่เคยเห็นรูปนามของจริงหรอกนะรูปนี่เราไปเห็นอะไรเราไปเห็นอวัยวะอวัยวะไม่ใช่รูป <นะ S 1> ดูท้องดูมือดูเท้าดูลมหายใจนี่ไม่ใช่รูปหรอก <c oughs> เป็นอาการสามสิบสองอะไรพวกนั้นเป็นเรื่องของสมถารรูปคืออะไรรูปคือธาตุดินน้ำไฟลมอะไรนีดูยากจะตายไป หรือวิญยักทีรูปรูปเคลื่อนไหวเห็นได้ตัวที่ไหวอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นยักหน้าอย่างเงี้ยนะ mm hmm. เห็นใจไปรู้เข้ารูปจริงจิงดูยากนะถ้าจิตไม่มีสมาธิพอมักจะไม่เห็นรูปเห็นแต่อวัยวะ mm hmm. ส่วนนามธรรมาเนี่ยดู ง, ง่ายๆความรู้สึกอะไรผุดขึ้นมารู้ไปเลยแต่อย่าไปบริกรรมไปมันเบื mm ้องต้นหันบริกรรมไม่เป็นไรหรอกนะแต่ว่าเบื้องปลายก็ต้องปล่อย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 หลวงพ่อเป็นคนที่สอนอะไรสอนกันอย่างจริงใจเลยนะตรงไปตรงมาอดทนไว้หน่อยบางคนทนไม่ไหวหลวงพ่อจริงจังมากรู้สึกแหมโมโหเนี่ยใจลอยแล้วรู้จักไหมน่าย <S <S <S <N> ใ จ, <S <S ใ, จใจไปคิดเห็นไหมใจไหลไปแปบบ๊บเราไม่เห็นสภาวะที่จิตเราหลงไปเนี่ยเรียกว่าเราหลงแล้วเราไม่รู้ตัวแล้วแล้วสติตัวจริงในโลกนี้ไม่มีหรอก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 การจำสภาวะได้แม่นเช่นเราจำได้ว่าความเผลอเป็นยังไงใจลอยเป็นยังไงพอใจเราลอยแวบไปเนี่ยสติจะระลึกขึ้นเองว่าอ้าวใจลอยละนี่สติเกิดเองนะเตอนเนี้หนีไปคิดแล้วทราบไหมเนี่ยต่อไปพอใจมันหนีไปคิดนะเราจะเห็นพอเห็นเราจะมีสติรู้สึกไหมเหมือนเราตื่นขึ้นมะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาตอนเนี้เป็นผู้คิดอีกแล้วรู้สึกไหมคิดไม่เลิกนะดูสิ รู้ให้ทันนะรู้แล้วมันจะปล่อยทิ้งเลยใจเราจะตื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจเราจะเกิดความสงบสะอาดสว่างขึ้นในฉับพลันนั้นเลยไม่ต้องไปแกล้งทําอะไรหรอกแล้วจิตโดยธรรมชาติมันประพัฒสอนอยู่แล้วเราไปทําให้มันวุ่นวายขึ้นมาเองนี่ไปคิดอีกแล้วทราบไหมเ <Thank you. S 1> นี่ยเนี่ยหัดรู้รู้จักหรือย่างตื่นเป็นอย่างนี้นะอยู่แค่เนี่ยแต่อยู่ได้ชั่วคราวแวบ็บเดียวแวบ็บเดียวถูกต้องแล้วเพราะเขาไม่เชี่ยง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 ทราบแล้วแต่มันไม่ตื่นอ่เนี่ยตอนนี้ค่อยหลุดจากมันนะเอออย่างนี้นะตื่นไปเรื่อยเรื่ยเห็นไหมว่าฝึกมาเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่ถึงหรอกมันไม่ถึงสภาวะนะต้องอดทนนะป่าจะเรียนได้เห็นสภาวะคนหนึ่งคนหนึ่งยากที่สุดเลยดีอยู่ไหน่อยแก่ๆหลวงพ่อก็เลิกสอนแล้วไม่ไหวเหนื่อยนะป่าจะเข็นให้เห็นสภาวะคนหนึ่งคนหนึ่งนี่ยากที่สุดเลยสติดคือความไม่เลื่อนลอย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 นี่พวกเราชอบอารักขาด้วยการ น, นั่งเฝ้าแบบพวกแขกยามนะนั่งเฝ้าหรือทหารยามยิ่งร้ายกว่าแขกยามแขกยามยังมีหลับบ้างทหารยามนั้นนั่งยืนตัวแข็งนะเหนื่อยจะตายไปทํากรรมฐานอย่าทําแบบนั้นนะอย่าแบบนั่งเป้าไว้จนแข็งแข็งทื่อๆนะรู้ไปเล่นเล่นรู้สบายๆอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยรู้เอานี่ไปคิดแล้วรู้ไหมเอออย่างนี้ค่อยตื่นหน่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 อ, อทันทีที่รู้ว่าอยากจิตเป็นกลางปั๊บการปรุงแต่งนี้ดับหมดเลยเรารู้ลงสภาวะที่ถูกต้องแล้วออแอ บ, บแอบเนี่ยที่ถูกมันต้องเป็นอย่างนี้นะรู้สึกไหมสบายถ้าเมื่อไหร่ปฏิบัติแล้วหนักหนักแน่นแน่นแข็งแข็งซึมซึมทื่อๆต้องรู้นะว่าทําผิดแล้วเพราะว่าจิตที่เป็นมหารกรุสุรจิตจะเบาจิตที่เป็นมหารกรุสุรจิตนะจะอ่อนโยนนุ่มนวลจิตที่มหารกรุสุรจิต จะปราดเปรียวไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่อถ้าขนะองเราเวลาปฏิบัติรู้สึกไหมมันจะทำให้ซึมๆทื่อๆนั่นอกูสนและจิตนะต้องระวังพวกเราเวลาเรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าเราเรียนข้ามไปหนึ่งขั้นนะบทเรียนมีสามบทสีละสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาเราไม่เรียนจิตสิกขาเราอยู่ๆก็เอารักษาตีแล้วเราก็มากาหนดรูปนาม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 นี่จิตที่ตื่นจําได้ยังคนลบุรีอุตสานั่งรถมาหลายชั่วโมงได้แค่นี้ก็บุญแล้วเนาะ <c oughs> เอาไปทํานะอาไปทำเอาหลวงพ่อนะสอนเกีวกัเป็นลมทุกวันเลย <c oughs> ทําไมโยมมาแต่ไหนกันเยอะแยะทุกวันนิสัยหลวงพ่อนะชอบอยู่คนเดียวแต่ไหนแต่ไรเดี๋ยวนี้ต้องพูดทั้งวันเลยใจลอยแล้วรู้ไหมใจลอยเนี่ยคือศัตรูใหม่เล็กหนึ่ง เพ่งเอาไว้กาหนดเอาไว้ประคองเอาไว้รักษาเอาไว้คือศัตรูหมายเลขสองวันนี้เป็นวันอาสาหะใช่ไหมสาสนาบูชาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมะเรื่องอะไรนะจำได้ไหมอะไรนะโอ้ตับถูอย่างน้อยยังมีคนจำได้ศาสนายังไม่เสือ่อมซสทยสีเดียวพระพุทธเจ้าสอนธรรมจักรกับปวัตนสูตรกับปัญจวัคคี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 สังเกตไหมตอนที่เราไปดูเราจะลืมตัวเราเองนะขาดสติเรียบร้อยไปแล้วนะหลงไปดูถ้าใจเราไปจอนิ่งอยู่ที่เดียวนั่นคือการเพ่งนะแต่ถ้าดู ด, ดัดดเนี่ยเดี๋ยวดูวันนี้ดูวันนี้ดู น, ด น, ดนี้ดูเรื่อยเร่อยแล้วลืมตัวเองนะนี่คือการเผลอไปนะงั้นสิ่งที่ติดก็มีเผลอกับเพ่งนะการเพ่งสังเกตไหมบางทีเราเริ่มลงมือปฏิบัติ ใ, ใจเราก็ทื่อๆกําหนดแล้วก็แข็งทื่อๆนั่นเป็นการบังคับตัวเองเรียกว่าอาตาัตติธรรมฐานโยก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 ทันทีที่รู้ว่ามันหลงไปแล้วเราจะตื่นขึ้นมาในฉับพลันเลยนะไม่ต้องทําอะไรมันตื่นเองนะขอให้รู้สภาวะลงปัจจุบันได้จะตื่นทันทีเลยนะเพั้นทางผิดอันแรกเลยผิดสุดตรงเลยนะที่อันตรายที่สุดคือหลงไปหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดนี่หลงทงั้งวันแล้วคนนะ่ะหลงกันทั้งโลกนะหาคนรู้สึกตัวหายากนะจิตที่หลงหลงเป็นจิตมีโมหนะเพราะฉะนั้นจะสังเกตให้ดีจะเห็นนะคนมีจํานวนน้อยแต่สัตว์มีจํานวนเยอะนะ เพราะว่ามีโมหะต้องไปเป็นสัตว์เดรัจฉานฝูงหนึ่งฝูงหนึ่งเยอะนะคนมีจํานวนน้อยเกิดทีละคนสองคนสัตว์เกิดทีหนึ่งเป็นร้อยเป็นพันเพราะว่าโมหะมันเยอะนีสุดโตรงอันที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าบอกไม่ให้ทําคือเผลอไปหลงไปตามใจกิลเลสอยากดูวิ่งไปดูลืมตัวเองอยากฟังวิ่งไปฟังลืมตัวเองอยากรู้เรื่องวิ่งไปคิดแล้วก็ลืมตัวเองมีแต่เรื่องลืมตัวเอง ต่งอันที่สองเรียก <c oughs> ว่าอัตาาตากริมัฐานิโยกย ก, การทําตนเองให้ลําบากทําตนเองให้ลําบากเนี่ยมีหลายดีกรีนะแต่ย่อย่อลงมาก็คือทํากายให้ลําบากกับทําใจให้ลําบากนะทำกายให้ลําบากก็เช่นทรมานกายต่างๆนานานะนะรวมทั้งพวกเราด้วยนะทรมานนิดหน่อยนะไปเดินเนเมื่อยจะตายใช่ไหมแต่เราเดินชอปปิ้งไม่เมื่อยนะไปเดินจงก่มจะเมื่อยรู้สึกไหมเพราะอะไรเพราะเราดัดแปลงค่าเดิน จำไว้นะการดัดแปลงท่าเดินหรือดัดแปลงอะไรก็ตามเกี่ยวกับกายกับใจเราเนี่ยเป็นแค่อุบายเท่านะั้นอุบายของอาจารย์แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างการรู้กายเนี่ยอาจารย์สอนให้เราค่อยๆรู้ค่อยๆข ย, ยับค่ อ, อะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนง่ายกว่านั้นพระพุทธเจ้าสอนที่สูทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวรู้สึกตัวคือไม่ใจลอยไปที่สูทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวกายของเธอนะ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 เราไปเพ่งให้มันนิ่งนิงนี่นนนทรมานใจนะส่วนกายก็ทรมานกายนะเช่นต้องอย่างง้นต้องอย่างนี้ต้องอดข้าวต้องนอนบนน้ำนะต้องเดินท่านี้ช้าช้าต้องขยับท่านี้นี่ทรมานทั้งนั้นรู้อย่างที่เขาเป็นสิง่ายง่ายนะที่สุดทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวในการยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิด เหนียวซ้ายแลงขวานะครองข่าจีวรสังคาติขยับขยื่นเลยเนี่ยครู้สึกรู้สึกคือไม่ใจลอยไปในขณะเดียวกันก็ไม่เพ่งกายด้วยคำว่ารู้สึกก็คือไม่เผลอไปใจลอยไปไม่ไปเพ่งเหมือนไม่ด้วยรู้สึกกายเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นมันพยักหน้าเห็นไหมมันขยับขยับเนี่ยรู้สึกไหมถ้ารู้สึกถูกต้องแล้วมันจะตื่นขึ้นมาเหมือนกับที่รู้ทันว่าจิตไปคิดนั่นะ เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะรู้กายหรือรู้ใจถ้ารู้ถูกต้องนะสติเกิดเหมือนกันเปรียบเลยนะไม่มีหนาสายกายสายจิตอะไรนั่นเป็นของหลอกเด็กเนะบื้องต้นบางคนดูกายก่อนดูกายแล้วก็รู้จิตบางคนดูจิตก่อนดูจิตแล้วมันก็รู้กายนะรวมความแล้วก็คือรู้ทั้งรูปทั้งนามนั่นแหละรู้แล้วเป็นยังไงรู้แล้วก็เห็นความจริงของรูปของนามนะพระคุทเจ้าท่านเลยสอนบอกว่าสุดตรงสองข้างไม่เอาเหลอไปตามใจกิเลส กับบังคับกดข่มตัวเองทําให้มันทื่อๆลาบากอย่างเงี้ยไม่ลาบากมาสิบปีเอออย่างนี้นะถึงจะไม่ลําบากแยกได้ยังเอนะเออแ ย, ยกได้ก็ดีได้ไม่โมโหหลวงพ่อบางคนแยกไม่ได้นะโมโหหลวงพ่อหาว่าใส่้ายป้ายสีมีนะผู้หญิงคนหนึ่งหลวงพ่อบอกอา้าวรู้สึกตัวไว้ดิฉันรู้สึกตัวตลอดไม่เคยเผลอเลยในถามแล้วดิฉันอนะ่ะพระอาหารหันเนอะ เลยรู้สึกตัวตลอดได้ยังไงนะเผลอไปแล้วไม่รู้จักว่าเผลอสิก็ลเลยรู้สึกว่ารู้สึกตัวเ <Yeah. S 1> นี่ยเผลออย่างน <Yeah. S 1> เ, เนี้ยเผลอวิจ <Yeah. S 1> ิตเนี่ยเห็นไหมไปดูเขาลืมตัวเองใจลอยแบบแบบแวบบไป <Yeah. S 1> เนี่ยใจลอยอีกแล้วรู้ไหมย <Yeah. S 1> พยายามไปสังเกตแล้วรู้ไหม <Yeah. S 1> ให้รู้ทันอย่างนี้นะรู้ทันพฤติกรรมของจิตตนเองไปเรื่อยเนี่ย <Yeah. Yeah. S 1> ไปอีกแล้ว <Yeah. S 1> แต่ไม่ใช่บังคับไม่ให้ไปนะ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 เพราะมันนิ่งผิดความเป็นจริงมันไม่สแสดงใจรักหรอกมันทื่อๆอยู่แคนะนะักี่วันก็ทื่อๆนะกี่ปีก็ทื่อยิ่งฝึกจนแก่นะยิ่งบังคับเก่งก็รู้สึกว่าจิตเป็นอัตตาเป็นของบังคับได้นะเอ็นน้นไปเลยนะเป็นมิจฉาทิฏฐิไปต้องระวังนะดูของจริงจะเห็นบังคับไม่ได้นั้นการที่รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนี่แหละเรียกว่าการเจริญสติทางสายกลางอยู่แค่นี้เอง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 ถ้ารู้ตามความเป็นจริงแล้วอะไรจะเกิดขึ้นตอนท้ายท่านจะจบธรรมจกกักด้วยบทนี้แะ้วท่านบอกจักคุงอุตปาทิดวงตาเกิดขึ้นอันนี้เป็นสำนวนของหลวงพ่อพุทธนะไม่ใช่ของหลวงพ่อหลวงพ่อพุทธเ่า่นเปรีเทศให้ฟังจักคุงอุตปาทิท่านแปลอย่างนี้ไม่เหมือนตำราทีเดียวท่านบอกว่ามันเป็นดวงตาภายในนี่เกิดขึ้นสามารถเห็นตัวสภาวะนะเช่นเราเห็นเมื่อจิตเราวิ่งไปคิดแล้ว เ um ห็นว่าจิตเราไปเพ่งแล้วเห็นตัวสภาวะเเรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมสิ่งที่เรียกว่าธรรมของท่านท่านหมายถึงรูปธรรมร่างกายเคลื่อนไหวมีดวงตาเห็นคือมีความรู้สึกรู้สึกถึงรูปที่เคลื่อนไหวจิตใจเคลื่อนไหวแล้วก็มีดวงตาเห็นคือรู้สึกถึงจิตใจที่เคลื่อนไหวต่อไปเราก็จะเกิดยาณอุตปาทิความอย่างรู้เราจะเห็นเลยว่าสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่นั้นนีแต่ความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ เปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่คงที่หรอกนะร่างกายของเราก็ไม่คงที่จิตใจของเราก็ไม่คงที่เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะเดี๋ยวเป็นกุศลเดี๋ยวเป็นอกุศลเดี๋ยววิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูวิ่งไปทางใจมีแต่้องเปลี่ยนแปลงนะเพราะอย่างรู้ตามรู้นานๆไปปัญญาที่เกิดฉันบอกปัญญาอุทักาะที่ปัญญาเกิดขึ้นปัญญาคือความเข้าใจใจรักนั่นเองจะเห็นเลยว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอก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 ยังไม่แจ้งทีเดียวหรอกคนที่แจ้งอริยสัจคือพระอรหันต์เท่านั้นนะเข้าใจยากนะอริยสัจนะเสร็จแล้วท่านบอกว่าตัวสุดท้ายเลยอาโลโกอุธปาธิเกิดสวดไหมอาโลโกอุธทธปาธิแสงสว่างเกิดขึ้นนะนี่มันเป็นกระบวนการของการเกิดอริยมรรคในขณะที่จะเกิดอริยมรรคเนี่ยอย่างเราตามรู้รูป ร, รู้นามรู้กายรู้ใจไปตามที่เขาเป็นไม่เข้าไปเพ่งไว้บังคับไว้นะ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 การรับรู้ตัวสภาวธรรมที่เกิดดับนะี่ยจะเริ่มทวนกระแสเข้าห า, าธาตุรู้เมื่อทวนกระแสเข้าห า, าธาตุรู้แนละ้วเนี่ยธาตุรู้สิ่งอาสวะกิเลสที่ห่อหุ้มาธาตุรู้อยู่เนะี่ยจะถูกอริยมรรคทาลายลงไปมันจะแหวกออกไปเสร็จแล้วแสงสว่างก็จะปรากฏขึ้นจากความไม่มีอะไรนี่ครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังนะไม่ใช่หลวงพ่อเล่าเองหรอกในสุดแสงสว่างเกิดขึ้นมาทําไมมีแสงสว่างเกิดขึ้น เพราะจริงๆแล้วตัวจิตแท้ๆเนี่ยตัวธรรมชาติรู้ล้วนๆแท้ๆไม่มีรูปลักษณะอะไรที่ให้สาคัญมั่นหมายรู้ได้เลยนะเขาก็แสดงความมีอยู่ของเขาขึ้นมาการเป็นแสงสว่างขึ้นมานะแล้วก็เป็นความเบิกบานใหลวงปู่ดูจะเรียกว่าจิตยิ้มนะอันนี้จิตกระบวนการของมันมีนะตรงที่มันประหาร แวกสังโยชน์ออกไปนะตัดอาสวะขาดลงชั่วคราวนี้หนึ่งขนาดจิตเท่านั้นไม่มีสองขนาดนะตรงที่เข้าไปรู้นิพพาน แ, แท้ๆไม่มีอะไรเลยนะนะสองขนาดบ้างสามขนาดบ้างแล้วแต่และคนไม่เหมือนกันหลัาจากนั้นจิตจะถอนออกจ า, ากอปนาสมาธิถอนออกมาอยู่กับโลกข้างนอกแล้วจิตมันจะทวนไหมว่าที่ผ่านมาตะเกี้ยวเกิดอะไรขึ้น กิเลสตัวไหนหายไปแล้วกิเลสตัวไหนยังอยู่มันจะทวนกระแสย้อนกลับไปดูมันจะไม่สงสัยนะนจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจบธรรมจักก็จะจบลงตรงนี้ตรงที่จักขุงอุธปาทิดวงตาเกิดขึ้นญาณนะอุตปาทิญาณคือความอย่างรู้เกิดขึ้นนะปัญญาอุธปาทิคือความเข้าใจใรลักเกิดขึ้นวิชาอุตปาทิความเห็นอริยสัจเกิดขึ้น อาโลโก้ถ้าปาที่แสงสว่างเกิดขึ้นคอยตามรู้ตามดูนะพราะงั้นต้นทางของการปฏิบัติคือรู้สึกตัวบ่อยๆไม่ใช่เพ่งเพ่งไวจะไปปรมาโลกนะเพ่งพอรู้เรื่องไหมหลวงพ่อชอบนะคนที่ฝึกรู้รูปรู้นามเนี่ยปรับนิดๆหน่อยๆเพราพอเข้ขาใจแล้วพวกเพ่งมาเพ่งเพ่งแล้วโอ้แกยากมากงแต่ที่ฝึกแบบคุณแล้วไปเพ่งนี่เยอะมากเลยนะ เข่งจนเพียเพ้ยนๆไปเลยก็มีเยอะหลงนะใจลอยแล้วรู้จักไหมเนี่ยหันไปดูเขาลืมตัวเองรู้สึกไหมหัดอย่างนี้นะหัดไปเรื่อยๆไหนคนลบบุรีหมดหรือยังทีมลบบุรีหมดยังจะได้ดูทีมอื่นบ้างนะ <c oughs> มานั่งหน้าเลยเนาะเอาหุ้งเป็นไงหุง้งส่งกันบ้าน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 ทุกคนมีทั้งตัณหาและทิฏฐิแต่ว่าแล้วแต่ตัวไหนจะเด่ น, นถ้าคนที่รักสุขรักสบายรักสวยรักงามรักความสงบสุขไม่อยากถูกสิงกับใครก็มีนะชอบสนุกเฮฮาไปเลยก็มีในสุดโต่งสองข้างเลยพวกเนี้ยให้มารู้กายไว้นคนไหนชอบคิดคิดทั้งวันคิดแล้วคิดอีกคิดไม่เลิกวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์วิพาษ์วิวิทั้งหลายนะจนสุดท้ายวิปลาดวิวิทั้งหลายเนี่ย ให้มาดูใจตัวเองไหะถ้าใครจะดูกายทําความสงบก่อนง่ายๆเลยดูท้องฟองยุบ ก, ก็ได้อย่างที่เราเคยทำนั่นแหละดูไปแล้วก็ให้ใจของเราสงบอยู่กับท้องเคล็ดนละับของการทาความสงบนี่มีเคล็ดลับด้วยนะหลวงพ่อจะมีเคล็ดลับเยอะเคล็ดนละับของการที่จิตจะสงบได้เร็วจะต้องมีความสุขนะไม่ใช่หลวงพ่อสอนเองนะพราอาภิธรรมสอนไว้ บอกความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิแต่พวกเราจะกลับข้างนะเราคิดว่าสมาธิทำให้มีความสุขแต่ความจริงแล้วเนี่ยความสุขเป็นเหตุให้เกิดสมาธิ mm hmm. เช่นคนไหนมีความสุขในการเล่นไพนะ่จะมีสมาธิในการเล่นไพ่ตำรวจมายังไม่รู้เลยนะมีความสุขที่ได้อ่านหนังสือจะมีสมาธิในการอ่านหนังสือเราชอบวิชานี้เราไปเรียนวิชานี้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 ถ้านอนไม่หลับแล้วหงุดหงิดอยากนอนให้หลับนะจะไม่หลับเลยแต่ถ้านอนเล่นๆ เ, เ, เดี๋ยวๆก็หลับเช่นเราจะฝึกกรรมฐานจะนั่งดูเมื่อแล้วเราก็ลงไปนอนจะกะเอามือวางที่ท้องจะดูฟองยุบนะกตเดี๋ยวๆหลับแนละ้วนะเพราะมันสบายใจจิตใจมันสบายมันก็สงบง่ายเพราะฉนั้นเวลาจะทำสมาธิต้องการพักผ่อนนะทำใจสบายๆ นะบางคนจะพุทโธก็พุทโธอย่างสบายใจพุทโธพุทโธไปสบายๆนะหายใจออกหายใจเข้าหายใจสบายๆนี่มีเคล็ดลับในเรื่องหายใจนะหายใจออกก่อนนะอย่าหายใจเข้าก่อนถ้าเริ่มต้นด้วยหายใจออกก่อนใจจะเบาสบายถ้าเริ่มต้นด้วยหายใจเข้าก่อนนะใจจะกระด้างแข็งๆนะงห่คอยดูนะแต่ละอันมีเคล็ดลับมากมายนะมีคล้ายๆ สำนักวิทยาลุศนะมีเคล็ดลับแต่ถ้าเหลวงพ่อพุทธท่านเคยสอนนะสมถะเริ่มเมื่อหมดความจงใจเนี่ยถ้าจงใจทําอยู่นะไม่สงบหรอกมันทําด้วยรูพระไม่สงบหรอกวิปัสนาเนะี่ยท่านสอนวิปัสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดใจเราไปคิดอยู่นะคิดทองคิดยุบคิดโน่นคิดนี่อยู่อะไรเนี่ยมันไม่ขึ้นวิปัสนาหรอกยังคิดอยู่วิปัสนาเริ่มเมื่อหมดความคิด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 เออยังยังประคองอยู่ขณะเนี้ยก็กําลังประคองอยู่รู้สึกไหมใจทื่อๆเออเลิกถ้เลิกลืมเรื่องปฏิบัติไปพอลืมเรื่องปฏิบัติปุ๊บมันเลิกประคองเลยมันไม่ใช่ประคองเองมันเคยชินที่จะประคองฝึกมาแบบนี้แหละจนฝึกประคองเก่ง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 นี่มันมันไม่รู้สึกเลยอย่างแก้ไม่ออกใจไม่เคยชินแล้วฝึกจนเคยชินที่จะไปประคองไว้นะแต่ว่าเบาลงไปเยอะแล้วรู้สึกไหมนะค่อยๆทําไปนะอดทนนะเรียนมันยากยากเพราะว่าใจของเราเคยชินกับการไปประคองไว้ซะแล้วนะี่ใจลอยแล้วรู้สึกไหมอ่านะแวปหนึ่งดีแล้วดีที่ใจลอยใจลอยแล้วรู้ไหวๆแค่ น, นั้นพอและ้ว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 หายโมโหยังในนี้โมโหน้อยลงไหมดีแล้ ว, วเออดีแล้วนะบุคลิกดีขึ้นเยอะเลยระวังสาวมาเอาไปหน้าพอ <c oughs> เรารูเนะ้เนี้ยรู้ตัวฝ่องใสนะคุณมนดูที่ผ่องใสไหมผ่องใสเนี่ยเออรู้ตัวทั้งหมดก็ผ่องใสละระวังสาวสามมาหลอกออกไปหน้า <c oughs> เออนั่นแหละรู้รู้ไปเรื่อยเนี่ยอืม ฝนะึกไปนั่นแหละฝึกรู้รู้ไปอาคุณวิชาว่าไงคุณวิชาเป็นไงเป็นไงอ่าตอบถูกแหมถูกใจแล้วคุณกีญญ า, าเห็นแปบบ๊แบๆบหลบเป็นออยอยู่นี่หมือว่าหลบบังเด็ก <c oughs> เป็นไงคุณบีญญ า, า <c oughs> อะไรแย่ล่ะ <c oughs> อะไรนะ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 เราข้ามไปบทหนึง่งงั้นเราหัดรู้เท่าทันพฤติกรรมของจิตไปเรื่อแต่ต่อไปพอจิตของเรารู้ตัวตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะรู้กายเราจะเห็นกายนี้ไม่ใช่ตัวเราทันทีเลยถ้ารู้ลงที่จิตยังเห็นจิตเป็นเราอยู่เพราะมันคุ้นเคยเฝ้ารู้เฝ้าดูนานๆานไปลากความเห็นผิดว่าจิตเป็นเราตรงนี้เป็นทโสดาบัเชดฐาใจลอยลอเออลงไปคิด ตอนนี้หลงคุยแล้วรู้ไหมเอชิดขาก็รู้ไปเขินแล้วรู้ไหมใจมันเขินเมื่อกี้มันเขินเขินเขินก็รู้ว่าเขินเออมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นเงี้ยเออรู้แล้วมันก็เกิดดับให้ดูไม่ต้องทําอะไรหรอกมันของไม่เที่ยงนะไม่งั้นไม่ต้องไปบังคับมันแค่รู้สึกตัวขึ้นมารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงถึงยังไงก็ต้องเห็นไตรลักษ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 รู้สึกไปจิตใจเบิกบานมีความสุขแก่ช้าหน่อยอา้าวยี้รู้สึกยี้รู้สึกไหวหมอภัยเป็นไงวันนี้ไล่กรรมการวัดสัทีว่าไงอะไรนะโอพูดเป็นไปรักอีกคนละ <c oughs> พูดอย่างนี้หลวงพ่อว่าไม่ได้นะหลวงบ้างรู้บ้างก็ถูกแล้วนี่แต่เวลาหลงแล้วรู้รู้ไหวไหม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 ไม่ใจตอนนี้ใจตอนนี้เป็นยังไงขณะจิตเนี้ยรู้สึกตัวไหม <Okay. S 1> ประคองไว้ดูออกไหมไปควบคุมมันหน่อยๆน่อยดูออกไหมว่าควบคุมไว้เลิกซะเอาใครจะถามใครเชิญนะพวกเก่าๆคนไหนจะส่งกันบ้านเชิญหลวงพ่อดูไม่ถึงนะสายตาไม่ดี <Okay. S 1> อะไรนะ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 ดีขึ้นนะดีขึ้นเยอะเลยเมื่อก่อนชอบลงไปนอนแช่นิ่งๆแตนะ่แช่แล้วไม่เกิดปัญญาถอยขึ้นมาอย่างเงี้ยรู้สึกไม่ใจเราเปลี่ยนทั้งวันถ้าแช่แล้วมันก็นิ่งๆทั้งวันนะไม่ลงไปแช่ดีละต่นนี้ไม่ลงแล้จันจุนน่าสงสารนะช่วยปลอบใจจันจุนเครียดงานเยอะเหรอจันแล้วเป็นคณบดียังยังนะขอวยพรจะได้เป็นเลย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 เพราเราไม่ได้ไปทําเหตุของความโกรธให้เกิดขึ้นเราไมไ่ไปคิดเรื่องที่ไม่ดีถ้าเราคิดใหม่ก็โกรธใหม่ในเกณฑ์ไม่เราโกรธใครสักคนนะถ้าคิดใหม่โกรธใหม่นะไม่ใช่คิดใหม่ทําใหม่คิดใหม่โกรธใหม่นะทําใหม่ก็ได้ทําโทสะขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นความโกรธจริงๆเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับนะหลวงพ่อเคยถามบอกว่าใครเคยโกรธนานๆบ้างตอนสร้างวัดใหม่ๆหลวงพ่อจาไม่ได้แล้วผู้หญิงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งยกเลยหนูโกรธ